การกนรู้เสร็จไม่เสร็จอะไรเป็นเครื่องวัดการกําหนดรู้ก็เพื่อละการละก็เพื่อทําให้แจ้งการทําให้แจ้งก็เพื่อเจริญเมื่อทํากิจเหล่านี้สมบูรณ์แบบนี่เรียกว่าทำกิจนะทั้งกิจในเบื้องต้นนะกิจระดับโสดาปฏิมัสกาธ า, า, า, า, าคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักเนี่ยนะกิจเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครเคยบอกเราเล ย, เ น, ยนะแล้วพระองค์ก็ทําได้สําเร็จเนี่ยนะทำกิจเหล่านี้สําเร็จเอ่อ ในข้อความนะปริวัติสามอาการ12ก็คือนี้ทุกนี้ทุกควรกําหนดรู้นี้ทุกเราได้กําหนดรู้แล้วนี้สมูทไทยสมูทไทยควรละสมูทไทยเราก็ละเสร็จแล้วนี้นิโรดนิโรธควรทําให้แจ้งนิโรธเราก็ทําให้แจ้งแล้วนี้มักมักควรเจริญ มักเราก็เจริญเสร็จแล้วแต่ว่าทุกข์นี้โรธคาม่มีปฏิปทาเนี่ยนะเราเจริญเสร็จแล้วเพราะนั้นอนุภาพของดวงตาญาณปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างคุณธรรมห้าคำเหล่านี้นะตาญาณปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างจริงก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันนี่แหละที่กําหนดรู้ทุกขะสมุทัยรมนิโรธให้แจ้งและเป็นการเจริญเพราะการเจริญอย่างที่สุดก็คือเจริญเพื่อให้มีปัญญาที่พระองค์บอกว่า เรากล่าวการดับทุกความพ้นทุกเนี่ยนะการบรรลุสำหรับคนที่รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าผู้ที่สิ้นอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยสำหรับผู้ที่มีดวงตามีมยานมีปัญญามีวิชามีมแสงสว่างเนี่ยก็มาทบทวนดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นไปเพื่อทำให้เกิดตาเกิดยานเกิด ปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างจริงไหมสิ่งที่เราเจริญอยู่ทุกวันเนี่ยนะสมควรไหมที่จะได้มีความรู้เหล่านี้จริงเรมาสรุปมาทบทวนนะไม่งั้นเนี่ยทำมานุธรรมมป ฏ, ปฏิปฏินี่เหลวแน่นอนเสียเสียเวลาชีวิตไปหมดเลยอย่างั้นนะเพราะการปฏิบัติที่สําคัญเนี่ยนะว่าเพื่อให้เกิดดวงตาเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างให้เห็นอริยสัจผู้ที่ทํากิจอริยสัจเหล่านี้เนี่ยนะสรุปทบทวนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสมมีอาการ12ออย่างนี้ยังไม่หมดจดดีเพียงใด ถ้าหมายคขาว่าถ้าไม่รอบรู้อย่างนี้แบบไม่เรียกว่าไม่ติดขัดเพียงใดดูก่อนพ่สู่ทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสีนี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนะนะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธเนี่ยนะ บอกว่าเราจึงยืนยันว่าเราเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าความพ้นวิเศษของเราเนี่ยการหลุดพ้นคืออรหัตนตผลของเราเนี้ไม่กำเริบขีนาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนับถิ ชาณิปูนภพบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปชาตินี้สิ้นแล้วพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณภาสิทธินี้อยู่ดวงตาเห็นอริยสัจจะรำตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เกิดขึ้นดวงตาเห็นอริยสัจจะทมของคือก็คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าก็มีความสามารถเก่งมากที่พูดให้คนเห็นอริยสัจเลย พระอัญญาโกณทัญญาก็เก่งมากเห็นอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เหมือนพวกเราเนะี่ยคนพูดก็ยังไม่เห็นคนฟังก็ยังไม่รู้เนะี่ยก็เลยพอกันหมดนะสมควรแล้วเหมืนกันอันนัดวงตาของพระัญญาโกณทัญญาก็เห็นเป็นดวงตาที่ปราศจากทุลีคือราคะเป็นต้นเป็นดวงตาที่ไม่เศร้าหมองด้วยราคะเป็นต้นดวงตาคือมัคคปัญญา โซดาปฏิมัขปัญญาที่ปราศจากทุลีปราศจากมุนทินเกิดขึ้นแก่พระอัญญาโกธัญญาตว่ายัางกินจิตสมุทยาธรมมังสัพพันธังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรทุกขสัตย์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งนั้นก็มีสมุทัยเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าเหตุ ด, ดับสิ่งนั้นดับจริงดับแน่ถ้าเหตุ ด, ดับ ทุกขศาสตร์นี้เกิดจากสมุทยัยเกิดธรรมดาจากสมุทัยเป็นธรรมดาถ้าสมุทัยดับทุกนี้ก็ดับปัญญาที่เห็นอริยสัจอันนั้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับกองทุกเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศธรรมจักคือการประกาศอริยสัจอริยสัจจะทำให้มุนเป็นไปอย่างนี้แล้ว พมเทวดาก็ได้บรรลือเสียงลั่นวันนั้นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอนุตระธรรมจักรเนี่ยนะธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิศ ป, ปตนะมฤคธายวันเขตพระนครพระนสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามานพรมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ไม่มีใครปฏิวัติได้หรอกว่านี้ไม่จริงนี้ไม่แท้นี้เปลี่ยนแปลงอันนี้สําหรับวินยูชนนะสำหรับวินยูชนแต่บิดเบือนนี่ทําได้ไหม ปกติเนี่ยนะแต่นี้พูดถึงว่าสมัยนั้นไม่มีใครค้านได้ว่านี้ไม่จริงนี้ไม่แท้สมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ก็ก็คเล่ายุค ก, กันแล้วถ้าเราได้ยินคําคัดค้านก็ถือว่าเกิดผิดยุคเหมือนกันถ้าเป็นยุคนั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายมีท่าริยะทั้งหลายท่านไม่คัดค้านเด็ดขาดเนี่ยนะท่านไม่คัดค้านว่านี้ไม่ใช่สวะขาโตภควาตาธรรมโมนี้เป็นสวะขาโตภควาตาธรรมโมปฏิเสธไม่ได้ค้านไม่ได้อะไรไม่ได้ ปฏิบัติตามได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตรัสไว้ดีแล้วอนัสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเฮเนี่ยนะเพราะนั่นพุทธมเทวดาก็บรรลือว่าไม่มีใครปฏิวัติได้เพราะเป็นความจริงเพราะผู้ที่เห็นความจริงอันนี้เนี่ยนะเลิกนับถือผู้เท่เจ้าไหมคล้ายว่าอะไรนะในโลกนี้ยเขาบอกว่าพอรู้ความจริงก็เลยเลิกเลิกลากันไปพอรู้ความจริงไงพอรู้ความจริงนี่ก็คือจบเลย แต่ในพระพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความจริงเท่าไหร่ความมั่นคงก็จะเพิ่มพูนเท่านั้ น, นนะไม่เหมือนกับทางทางโลกบางแขนงไงพอรู้ความจริงบอกมันไม่มีอะไรก็เลยกลับเลยแต่ทางศาสนาเราไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่ยิ่งมีความมั่นคงขึ้นขนาดนั้นจนไม่สามารถจับปฏิวัติตัวเองอนนะให้ไปนับถือศาสนาอื่นได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแทงตลอดความจริงแล้วเนี่ยนะพอรู้ความจริงแล้วก็ น, นะั ไม่สามารถที่จะไปเดินทางผิดปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ผิดอีกต่อไปแล้วนั้นสรุปว่าภูมิเทวดาประกาศว่าโอหธรรมจักนี่ยอดเยี่ยมที่ใครปฏิวัติไม่ได้จริงๆเสียงประกาศนี้ก็บรรลือลั่นไปจนถึงพรหมโลกเขาบอกว่ากาละชั่วครู่หนึ่งเสียงกระชอนไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการเช่นนี้แลจริงๆแล้วมนุษย์นี่บรรลุท่านเดียวก็คือพระัญญาโกณทัญยะแต่พรหมบรรลุ18โกดเนี่ยนะเว้นแต่พวกเราเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ย ทำอะไรกันอยู่เนาะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่พิจาจรณาริยาศัสตร์ให้เห็นตามบา้างไงกันสะสรุปบอกว่าทั้งหมื่นโล ก, กธาตุก็ได้มีก็ได้วันไหวสะเทือนสะทานแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกเป็นแสงสว่างที่ล่วงเทวานุภาพทั้งปวงนเนระียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้น ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็แปลงอุทานว่าอัญญาเหวัตะโพโกลทันโยว่งงางอันโกลทัญยะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกลทัญยะรู้แล้วหนอรู้ก็คือรู้อริยสัจแล้วเนอะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะมีผู้รู้ตามได้จริงมันพระองค์ก็ดีใจมากสมนัต ด, ดีใจว่าโอ้ยโกลทัญยะรู้แล้วหนอะเขารู้ตามที่เราสอนเนี่ยนารู้ตามอย่างที่เรารู้เขาเห็นตามอย่างที่เราเห็นแต่ว่าเห็นระดับ เพระดับล่างก็ขอให้ไม่ได้เห็นก่อนเธอของเราบอกขอให้เข้าใจตามอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าถึงยังไม่ได้เห็นตามนั้นจริงๆก็ขอให้เข้าใจตามถ้าหากว่าบอกยังไม่เข้าใจขอให้พยายามที่จะเข้าใจตามตั้งไว้เพื่อจะเข้าใจตามเนี่ยนะถ้ายังไม่เข้าใจตามบอกไปทำบุญอะไรก็ขอให้ได้เข้าใจตามเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนี้แหละ มเมื่อพระัญญาโกณทัญญะได้เห็นธรรมแล้วคือเห็นอริยสัจธรรมแล้วบรรลุในอริยสัจธรรมแล้วรู้อริยสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีอริยมรรคยานอันอย่างลงแล้วข้ามวิจิกิจฉาความสงสัยข้ามวิจิกิจฉาทั้ง16ข้ามพ้นวิจิกิจฉาทั้งมีวัตถุ8ปปราศจากถ้อยคาแสดงความสงสัยเป็นผู้ ก, ล, กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นใน คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อใครอีกแล้วในเรื่องอริยสัจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเห็นแล้วเหมงอนกันได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้บรรปชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วผมก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะคืออริยสัจธรรมนี้อันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติมักคพรมมาจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดุพธพจน์อันนี้ก็เป็นคำอุปสมบทของท่านพระัญญาโกณทัญญะนั่นแหลนะหลังจากนั้นอีกห้าวันเนี่ยนะวันแรมห้าคำปรองก็แสดงอนัตตาลกขณะสูตร นะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่เย็นนี้หัวค่ํานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประกาศธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนี่นะมันก็เราก็ได้ฟังพันเวียนเทียนใครไปเวียนเทียนประทักสินจะได้ระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระมหากรุณาของพระองค์ที่ น, นะมุ่งอนุเคราะห์ต่อสาว菩萨ทั้งหลายโดยการประกาศธรรมจักร ด้วยพระกรุณาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่คําสอนเหล่านั้นที่พระองค์สอนก็สอนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัพตว์ด้วยความสุดจริตใจอย่างแท้จริง นะคําสอนเหล่านี้ก็เป็นคําสอนที่ดีจริงแท้เพราะผู้ใดรู้อริยสัจผู้นั้นก็พ้นไปจากทุกขนนี้ก็พระอริยาสาวกก็ได้มีขึ้นในโลกเพราะปฏิบัติธรรมเป็นที่ดับทุกข์พ้นด้วยการฟังครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายมีอาจจะลาสัทธา ม, มั่นคงในพระรัตนตรยัยมีดวงตาปัญญาเห็นอริยสัจธรรมเหมือนกับพระอัญญาโกณทัญญะได้ตรัสรู้แล้วทั่วกันวันนี้ก็ช่วงเช้าก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน